จเจริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาผู้ฝ่ธรรมทุกท่านวันนี้เป็นวันเสาววันสาว์ที่แดมีนาคมพุทธศักราชสองพ้าห้าเจเป็นวันพระวันธรรมวัวนา วันฝังธรรมวันที่สาธุชนได้มีจิตใจตั้งมั่นต่อการเข้ามาวัดเพื่อมาศึกษามาปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนตรัสไว้ว่าใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานใจเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในโลกนี้ ใจนี่แลคือที่อยู่อาศัยของพวกเราอย่างแท้จริงเป็นตัวของเราอย่างแท้จริงร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ก็ไม่ใช่ของเราพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เรารักษาใจ ยิ่งกว่ารักษาสิ่งทั้งหลายในโลกนี้ถ้าเราอยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆทั้งหลายถ้าเราอยากจะได้มีความสุขที่เลิศที่ประเสริฐที่เรียกว่าปรมังสุขขังเราจำเป็นที่จะต้องสละทุกสิ่งทุกอย่างไปให้หมดเพราะถ้าเราไปรับไปหวง ไปยากได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งก็จะมาทาให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาภายในใจถ้าเราไม่ต้องการความทุกข์เราต้องสละทุกสิ่งทุกอย่างไปให้ได้เพราะว่าไม่ช้าก็เร็วเราก็ต้องจากเขาไปดีอยู่ไปอยู่ดีไม่มีอะไรที่จะอยู่กับเราไปตลอดในโลกนี้ เรามาเกิดอยู่ในโลกนี้<ม>ก็อยู่ได้ชั่วระยะเจ 80, 90หรือร0 0ยปีพอร่างกายนี้ตายไปแล้วเราก็เอาอะไรไปไม่ได้เลยถ้าเราอยู่แบบมีความรักมีความหวงมีความโลภความอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้เวลาอยู่เราก็จะมีความทุกข์ใจ เวลาตายเราก็จะมีความทุกข์ใจเพราะดังจะมีความอยากไม่จากสิ่งต่างๆไปนั่นเองแต่มันก็เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เพราะสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้เป็นของชั่วคราวเป็นของที่ไม่ถาวรเหมือนกับใจของเรา มีใจของเรานี่แหละที่เป็นสิ่งที่ถาวรใจของเราจะมีความสุขไม่มีความทุกข์ก็ต่อเมื่อใจของเราเข้าใจความจริงอันนี้เข้าใจว่าไม่มีอะไรเป็นของเราทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของชั่วคราวทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของที่เราไม่สามารถไปควบคุม บ, บังคับ ให้เป็นไปตามความอยากความต้องการของเราได้ถ้าเราเกิดมีความอยากความต้องการเราก็จะต้องพบกับความสนหวังบ้างพบกับความผิดหวังบ้างเวลาที่เราผิดหวังจะเป็นเวลาที่ทุกข์ทรมานใจอย่างยิ่งถ้าเราจะไม่อยากจะมีความทุกข์ทรมานใจเราก็ต้องอย่าไปอยาก ให้สิ่งต่างๆเป็นไปตามความอยากของเราเพราะว่าความอยากของเรามันจะไม่เป็นปตามความเป็นจริงเพราะใจของเรายังมองไม่เห็นความจริงยังมองไม่เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นของชั่วกราวยังมองไม่เห็นว่าเราไม่สามารถดูแลจัดการ เขาได้ตลอดเวลายังมองไม่เห็นว่าความหยาดกับสิ่งต่างๆในโลกนี้เป็นเหตุที่ทำให้เรามีความทุกข์ทรมานใจถ้าเราเห็นความจริงอันนี้เราก็จะสามารถที่จะปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างได้ เราจะสามารถสละทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ได้อย่างที่พระเจ้าทรงสอนให้เราหัดสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองสละอวัยวะสละชีวิตเพราะการมีความผูกพันมีความยึดติดกับทรัพย์กับอวัยวะกับชีวิตนี้จะทำให้ เรามีแต่ความทุกข์ไม่ใช่จะทำให้เรามีความสุขกันดังนั้นเราจึงต้องมาฝึกจากะคาคือการเสียสละปล่อยวางอย่ายึดติดกับสิ่งต่างๆอย่ามีอะไรเป็นที่พึ่งนอกจากการเสียสละนอกจากการปฏิบัติ ตามคำสอนของพพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะเป็นที่พึ่งของใจได้ที่จะรักษาใจของเราให้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้ที่จะรักษาใจของเราให้มีแต่ความสุขอย่างถาวรได้อยู่ที่การบังเป็นอยู่ที่การปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าก็คือ ทำบุญละบาปชำระใจให้สะอาดโดยสุดเพราะการกระทาเหล่านี้จะทำให้ใจของเราไม่มีความทุกข์จะทำให้ใจของเรามีความสุขนั่นเองการทำบุญก็คือการเสียสะละทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองเสียสะละความสุขเสียสะละประโยชน์ต่างๆ ที่เรามีอยู่กับสิ่งต่างๆอย่าไปหลงยึดติดกับความสุขเหล่านี้เพราะมันเป็นความสุขชั่วคราวเวลามันหมดไปจะเป็นเวลาที่ทุกทรมานใจอย่างยิ่งถ้าเราไม่มีการอาศัย สิ่งต่างๆในโลกนี้ให้ความสุขกับเราได้เราก็จะไม่ต้องทุกข์เวลาทิ้งสิ่งต่างๆเหล่านี้จากเราไปไม่ว่าอะไรก็ตามที่เราได้มานับตั้งแต่ที่ว่าเราเคลอดออกมาจากท้องแม่คือได้ร่างกายนี้เป็นอันดับแรกแล้วต่อมาพอเราจเจริญเติบโตเราก็จะได้ ข้าวของเงินทองได้สามีได้ภรรยาได้บทได้ทิดาได้ลาบได้ยศได้สรรเสริญได้ความสุขผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายแต่สิ่งที่เราได้มาทั้งหมดนี้เป็นของชั่วกราวทั้งนั้นในที่สุดเวลาที่ร่างกายนี้ตายไปเราก็จะหมด เราก็จะสเสียทุกสิ่งทุกอย่างไปคนเราจึงกลัวตายกันเวลาอยู่ก็กลัวทั้งๆที่ทยังไม่ตายเพียงแต่คิดถึงความตายก็กลัวนะที่กลัวเพราะว่าอยากจะอยู่ไปนานอยากจะหาความสุขกับร่างกายหาความสุขกับสิ่งต่างๆ ท, ทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกนี้แต่ไม่เคยใช้ ปัญญาพิจารณาดูเลยว่าเป็นไปได้หรือเปล่าการที่เราเกิดมาแล้วเราจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนี้เป็นไปได้หรือเปล่าการที่เราจะมีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองมีบุคคลนั้นบุคคลนี้ให้ความสุขกับเราไปตลอดมันเป็นไปได้หรือเปล่านะเพราะเราไม่พิจารณากัน เราก็เลยคิดว่าเป็นไปได้เราจึงอยากกันอยู่เรื่อยๆ อ, อยากให้ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่กับเราไปเรื่อยๆ อ, อยากให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามความอยากตามความต้องการของเราพอเวลาที่ไม่ได้เป็นไปตามความต้องการของเราเราก็เศร้าโศกเสียใจทุกทรมานใจนี่คือ ความทุกข์ที่พวกเราสร้างกันขึ้นมาเองสร้างมาจากความหลงความไม่มองความจริงกันถ้าเรามองความจริงว่าทุกอย่างมันเป็นของชั่วคราวทุกอย่างไม่อยู่ภายใต้คำสั่งของเราเสมอไปบางทีเราก็สั่งเขาได้บางทีเขาก็สั่งเราก็สั่งเขาไม่ได้ เวลาสั่งเขาไม่ได้เวลานั้นก็จะเป็นเวลาที่ทุกทรมานใจเช่นคนที่ดื่มสุราเป็นประจำเวลาใดที่ไม่สามารถสั่งสุรามาดื่มได้เวลานั้นเขาก็จะไม่สบายใจคนที่สูบบุหรี่เวลาต้องการสูบบุหรี่แล้วสั่งบุหรี่มาไม่ได้ เวลานั้นเขาก็จะเกิดความทุกข์ทรมานใจคนที่ต้องอยู่กับสามีต้องอยู่กับภรรยาเวลาขาดเขาไปเวลานั้นก็จะต้องมีแต่ความไม่สบายใจนี่เป็นเพราะว่าไม่มีใครสอนให้หัดอยู่แบบไม่ต้องมีอะไรไม่รู้ว่าการอยู่แบบไม่มีอะไรนี้เป็นการอยู่ที่ ไม่มีความทุกข์เป็นการอยู่ที่มีแต่ความสุขอย่างที่พระพุทธเจ้าได้ทรงทดสอบทดลองเมื่อก่อนพระองค์ก็ทรงอยู่กับอยู่กับภรรยาอยู่กับคนนั้นคนนี้อยู่กับข้าวของเงินทองอยู่กับความสุขในรูปแบบต่างๆแต่พระองค์ก็ทรงเห็นว่ามันเป็นของที่ไม่แน่นอน เป็นของที่บางวันก็ดีบางวันก็ไม่ดีบางวันก็ได้บางวันก็ไม่ได้เวลาที่เสียไปก็เป็นเวลาที่ไม่สบายใจพระองค์เลยลองทดลองอยู่แบบไม่มีบ้านอยู่แบบตัวคนเดียวไปอยู่ในป่าบ้านไม่มีแม้แต่บ้านจะอยู่ที่อยู่อาศัยก็อาศัยตาม เนื้อผาบ้างตามโคนไม้บ้างตามถ้ำบ้างตามเรือนร้านบ้างส่วนปัจจัยสี่อย่างอื่นเช่นอาหารก็อาศัยการบินทบาเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มก็อาศัยหาเศษผ้าที่ทิ้งไว้ตามสถานที่ต่างๆเอามาเย็บเอามาตัดเอามายอ้อมทำเป็นนิจิวอนไว้ห่ม ย่ารักษาโรค ก, ก็รักษาไปตามอัตภาพมีสมุนไพรชนิดไหนรักษาได้ก็รักษาไปไม่มีสมุนไพรก็ดื่มน้มปัสสาวะไปนี่คือการอยู่แบบไม่ต้องพึ่งพาอาศัยสิ่งต่างๆไม่ต้องพึ่งพาอาศัยแม้แต่ร่างกายที่จะใช้ในการหาความสุข เช่นการดูการฟังการดื่มการรับประทานอะไรต่างๆเหล่านี้พระองค์ทรงตัดไปหมดแล้วก็เข้าหาความสุขที่มีอยู่ภายในใจความสุขภายในใจก็จะเกิดขึ้นจากการไม่หาความสุขภายนอกพอไม่ต้องยุ่งกับเรื่องภายนอกใจก็ไม่วุ่นวาย ไม่ต้องวุ่นวายกับทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองไม่ต้องวุ่นวายกับคนนั้นคนนี้ไม่ต้องวุ่นวายกับตำแหน่งต่างๆสถานภาพต่างๆไม่ต้องมาวิตกไม่ต้องมากังวลไม่ต้องมาวุ่นวายกับความแก่ความเจ็บความตายเพราะไม่ได้อาศัยร่างกายไว้เป็นเครื่องมือหาความสุขหาความสุขจาก ภายในใจเพียงอย่างเดียวคือควบคุมใจให้ตั้งอยู่ในความสงบไม่ให้คิดปรุงแต่งไม่ให้อยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่ให้โง่ว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้จะให้ความสุขพ อ, อสอนใจให้รู้ความจริงแล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกเราแสวงหากันนี้ล้วนเป็นกับดัก ของความทุกข์ทั้งนั้นได้อะไรมาแล้วก็จะต้องทุกขกับสิ่งนั้นเสมอไปเพราะเมื่อได้อะไรมาแล้วก็จะมีความผูกพันมีความอยากจะให้สิ่งที่ได้มานั้นอยู่ไป น, น, นานๆเป็นเหมือนเดิม น, น, นานๆไม่มีวันเสือ่อมไม่มีวันสูญไปแต่โดยธรรมชาติของทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ ไม่มีอะไรที่จะอยู่ไปได้ตลอดไม่มีอะไรที่จะเที่ยงแท้นแน่นอนเหมือนเดิมทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องเสื่อมไปตามกาลตามเวลานั่นเองนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทรงทดลองได้ทรงปฏิบัติมาจนในที่สุดพระองค์ก็สามารถตัดความอยากได้สิ่งต่างๆทั้งหลายให้หมดไปจากใจ ยังไม่ทำให้พระองค์ไม่มีความทุกข์กับอะไรอีกต่อไปแม้แต่ร่างกายนี้จะแก่จะเจ็บจะตายพระองค์ก็ไม่มีความที่จะให้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายพร้อมที่จะให้ร่างกายแก่พร้อมที่จะให้ร่างกายเจ็บพร้อมที่จะให้ร่างกายตายไปเพราะว่าไม่มีใครจะมายับยั้งความแก่ความเจ็บ ความตายของร่างกายไปได้การปล่อยวางร่างกายจึงทำให้ใจของพระ อ, องค์ไม่ต้องทุกกับร่างกายอีกต่อไปมีแต่ความสุขที่เกิดจากความสงบเกิดจากการปล่อยวางหลังจากที่พระ อ, องค์ได้ทรงพบกับความสุขอันประเสริฐนี้พระ อ, องค์จึงได้นำเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ สัตว์โลกอย่างพวกเราผู้ที่มีศรัทธามีความเชื่อพอปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนได้ก็ได้พบกับความหลุดพ้นจากความทุกข์ได้พบกับความสุขอันถาวรได้ก็คือพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายนี่พวกเราก็จะเป็นพระอาหารหันตสาวกได้เช่นเดียวกัน มีศรัทธามีความเชื่อที่จะน้อมเอาคาสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติตามเริ่มต้นด้วยการเสียสละตอนต้นเราก็สละของที่ไม่จําเป็นไปก่อนของที่เรามีมากเกินความจําเป็นเช่นเสื้อผ้าถ้าเรามีเสื้อผ้าที่เราเก็บไว้ในตู้ถ้าเราไม่ได้ใส่เกินสามเดือนหกเดือน ก็ถือว่าอยากไปเก็บไว้ดีกว่าเอาไปแจกจ่ายให้ผู้อื่นของใช้ไม้สอยอะไรต่างๆที่เราไม่ได้ใช้ตั้งเอาไว้เฉยๆเป็นเวลานานอยากเก็บเอาไว้เอาไปแจกจ่ายให้แก่ผู้อื่นจะทำให้เราจะได้ไม่ต้องมีภาระมาคอยดูแลรักษาแล้วก็จะทำให้ผู้อื่นได้รับประโยชน์ จากของของเราจะทําให้ใจของเรามีความสุขเพิ่มมากขึ้นจะทําให้ใจของเรามีความทุกข์น้อยลงไปตามลําดับจนในที่สุดเราสามารถให้ทุกสิ่งทุกอย่างได้ยกเว้นปัจจัยสี่ที่เราจําเป็นจะต้องมีไว้ดูแลเท่านั้นดูแลร่างกายเท่านั้น เพราะว่าร่างกายยังต้องใช้เป็นเครื่องมือในการหยุดความอยากต่างๆในการสร้างความสุขที่ถาวรต่อไปนี่คือขั้นต้นคือการเสียสละแบ่งปันอย่าเก็บเอาของที่ไม่จาเป็นเอาไว้มีอะไรมากเกินไปเอาไปให้คนอื่นดีกว่าแล้วเราจะได้ไม่ทุกข์ ไม่ต้องมากังวลกับสมบัติเข้าของเงินทองต่างๆแล้วเราจะไม่ได้อยากมีของเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆถ้าเราไม่ให้ไม่หยุดเราก็อยากจะซื้อของมาเพิ่มเรื่อยๆมีรองเท้าห้าคู่ก็ไม่พอมีสิบคู่ก็ไม่พอมียี่สิบคู่ก็ไม่พอ พอเห็นรองเท้าใหม่ตามร้านก็อยากได้ขึ้นมาเรื่อยๆมีเสื้อผ้าสิบชุดก็ไม่พอมีห้าสิบชุดก็ไม่พอจะอยากได้ไปเรื่อยๆแต่ถ้าเรากําหนดว่าต่อไปนี้เราจะมีเพียงหนึ่งคู่เราจะมีเสื้อผ้าเพียงสามสี่ชุดพอไวส้สวมใส่พอเอาไวอ้อเปลี่ยนเอาไว้ซักอย่างนี้ต่อไปเราก็จะตัด ความอยากซื้อของต่างๆได้เราก็จะได้มีเวลาที่จะมาดูแลจิตใจของเราแทนที่เราจะเสียเวลากับการไปดูแลแสวงหาข้าของต่างๆการดูแลการแสวงหาเป็นการสร้างความทุกข์ใจไม่ได้เป็นการสร้างความสุขใจการไม่มีอะไรจะต้องดูแลนี่ต่างหาก ที่จะสร้างความสุขใจให้กับเราคนที่มีของมากๆากกับคนที่ไม่มีของมากๆใครจะสบายใจกว่ากันคนที่มีสามีกับคนที่ไม่มีสามีใครจะสบายใจกว่ากันคนที่มีภรรยากับคนที่ไม่มีภรรยาใครจะสบายใจกว่ากันคนที่ไม่มีลูกกับคนที่มีลูกใครจะสบายใจกว่ากัน มีอะไรก็จะต้องมีความทุกข์กับสิ่งนั้นเสมอไปถ้าไม่มีก็จะไม่มีความทุกข์ไม่มีความสบายใจพระพุทธเจ้าได้ทรงพิสูจน์มาแล้วทรงอยู่ตามลําพังไม่มีอะไรกับใครทั้งนั้นไม่มีสมบัติไม่มีข้าวของเงินทองไม่มีภรรยาไม่มีบุตรไม่มีอะไรทั้งนั้นมีแต่ตัวเปล่า แม้แต่ร่างกายก็ยินดีที่จะให้ร่างกายนี้ตายจากไปได้ตลอดเวลานี่แหละการเสียสละแบบนี้จะทําให้เราได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทุกรูปแบบเพราะความทุกข์ของเราก็อยู่กับของที่เรามีอยู่นั่นเองถ้าเราไม่อยากจะมีความทุกข์เราก็ต้องสลัดของต่างๆไปให้หมดสลัดแม้แต่ร่างกายนี้ไป ร่างกายนี้เราต้องพร้อมที่ให้เขาไปพร้อมให้เขาเจ็บไข้ได้ป่วยพร้อมให้เขาตายให้ได้ถ้าพร้อมแล้วรับรองได้ว่าจะไม่มีความทุกข์กับใจอีกต่อไปการที่เราจะทําใจของเราให้ปล่อยวางได้เราก็ต้องใช้เครื่องมือเพราะว่าตอนนี้เราไม่สามารถปล่อยได้เรายังยึดยังติดอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ พระพุทธเจ้าจึงสรงมอบเครื่องมือให้กับพวกเราก็คือสติสมาธิและปัญญานี่ศีลด้วยศีลก็ต้องมีด้วยเพราะถ้าไม่มีศีลก็จะสร้างความทุกข์ให้กับใจเวลาเราทําบาปใจของเราจะวุ่นวายใจของเราจะทุกข์ถ้าเรารักษาศีลไม่ได้เราจะเจริญสติจเจริญสมาธิจะเจริญปัญญาไม่ได้ ดังนั้นเราต้องรักษาสีนให้ได้ก่อนที่เราจะรักษาสีลได้เราก็ต้องเสียสละทรัพสมบัติเข้าของเงินทองต่างๆให้แก่ผู้อื่นไปให้ได้ก่อนเพราะถ้าเราเสียสละทรัพสมบัติเข้าของเงินทองไม่มีความโลภอยากได้ทรัพสมบัติเข้าของเงินทองเราก็จะรักษาสิลได้เพราะเราไม่ต้องเพราะเราไม่มีความอยากได้อะไร คนที่รักษาสิ่งไม่ได้ก็เพราะมีความอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้และพอไม่สามารถหามาได้โดยวิธีที่ไม่ต้องทำบาป ก, ก็จะต้องไปทำบาปเพราะความอยากได้มันจะคอยผลักดันให้ไปหามาให้ได้นั่นเองแต่พอเราไม่มีความโลภอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้เราก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปทำบาป เราก็จะรักษาศิ่ได้พอรักษาสินได้เราก็จะมีใจที่สงบพร้อมที่จ ะ, จะเจริญสติสมาธิปัญญาได้ถ้าเราจเจริญสติได้เราก็จะได้สมาธิคือความสงบพอเราได้ความสงบแล้วเราก็จะสามารถจเจริญปัญญาได้สามารถสอนใจให้เห็นความจริงของสิ่งต่างๆได้ ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นของชั่วคราวเป็นของที่ไม่เป็นของใครทั้งนั้นเป็นของที่จะให้ความทุกข์กับเราพอเราเห็นด้วยปัญญาเราก็จะหยุดความอยากได้อย่างถาวรเพราะจะไม่อยากจะมีความทุกข์กับใครทั้งนั้นไม่อยากจะมีความทุกข์กับอะไรทั้งนั้นนี่คือการสร้างความสุขให้กับใจ เป็นการดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดไปต้องเกิดจากการมีความศรัทธามีความเชื่อในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนให้เราทำบุญละบาปและชำระใจคือกำจัดความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจ ถ้าเรามีความเชื่อแล้วเราก็จะปฏิบัติตามพอเราปฏิบัติตามแล้วเราก็จะได้รับผลอย่างแน่นอนไม่มีอะไรที่จะมาขัดขวางผลที่จะเกิดขึ้นจากความเชื่อผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าได้มีการไม่มีความเชื่อมีการไม่ปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้น ที่จะเป็นอุปสรรคต่อการทําให้ผลต่างๆเกิดขึ้นดังนั้นขอให้พวกเราสร้างศรัท ธ, ธาความเชื่อขึ้นมาให้เต็มร้อยแล้วขอให้เราทุ่มเทชีวิตจิตใ จ, จของเราให้กับการปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าให้เต็มร้อยเถิดแล้วผลก็จะก็จะเกิดขึ้นมาเต็มร้อยอย่างแน่นอนไม่มีอะไรที่จะมา ยับยังผลที่เกิดจากการปฏิบัตินี้ได้ผลไม่เกิดก็เพราะเราไม่ปฏิบัติการไม่ปฏิบัติก็เพราะว่ายังไม่มีศรัทธาไม่มีความเชื่อถ้าอยากจะเกิดศรัทธาก็ต้องหมั่นศึกษาพระธรรมคำสอนของพพระพุทธเจ้าไปเรื่อยๆฟังเทศฟังธรรมไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะมีความศรัทธาปรากฏขึ้นมาตามลำดับ พอมีศรัทธาก็จะสามารถปฏิบัติได้พอปฏิบัติได้ก็จะได้รับผลตามมาต่อไปนี่คือการดูแลรักษาใจของเราที่เป็นสิ่งที่มีคุณค่าที่สุดเป็นสมบัติที่แท้จริงของเราเพียงชิ้นเดียวสมบัติต่างๆในโลกนี้ไม่ใช่ของเราเป็นของเราเพียงชั่วคราวเท่านั้น แต่ใจนี้เป็นของเราไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดถ้าเราไม่ดูแลรักษาใจใจของเราก็จะมีแต่ความทุกข์มีแต่ความวุ่นวายใจไปตลอดเวลาไม่มีวันสิ้นสุดเช่นเดียวกันดังนั้นขอให้พวกเราจงมาดูแลรักษาใจของเราเถิดอย่าไปดูแลรักษาสิ่งต่างๆทั้งหลายเลย เพราะว่ารักษาไม่ได้ในที่สุดก็ต้องสูญเสียไปหมดรักษาใจดีกว่าแล้วเราจะได้มีแต่ความสุขไปตลอดหลุดพ้นจากความทุกข์ไปตลอดจึงขอฝากเรื่องของการมาว่นเพื่อการมาดูแลรักษาใจที่เป็นสมบัติอันล้ำค่านี้ให้ท่านได้นำเอาไปพินิจพิจารณาและปฏิบัติ เพื่อความสุขที่ถาวรและความดับทุกข์ที่ถาวรที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็แหนว่าพอสมควรแต่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีลตัตนตรัยและบุญกุศลที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขและความจเจริ แก้วภาพปลอดภัยจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงโดยทั่วหน้ากันเธอ